ก็กาบุชาปรตนาไตรกาบุชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทีหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์ตุ้มพระเตระเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะ ได้ความรู้สึกตัววันนี้ก็เป็นเย็นของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2558อัตมาตัวตั้มมาเองก็หายไปจากวัดเกือบสองอาทิตย์ด้วยภารกิจส่วนตัวบ้างส่วนรวมบ้าง ก็ไปทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาที่วัดป่าสุกโตก็ยังเห็นบรรยากาศของการปฏิบัติในวาระกรรมฐานเข้ม40วั น, นก็ยังตั้งอกตั้งใจกันในการเจริญสติ แล้ววันนี้ก็มีกลุ่มประจำเดือนนะเข้ามาอีกประมาณเกือบ70คนนะทั้งที่มาด้วยตัวเองแล้วก็หน่วยงานส่งมานะก็เป็นบรรยากาศ <c oughs> ของวัดป่าสุกโตนะที่มาใช้ชีวิตนะในการที่เรามาเรียนรู้นะเรื่องของชีวิตเรื่องของจิตใจของเรา ก็ใจว่าทุกคนที่มานะส่วนใหญ่ก็มีความมุ่งหวังนะที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์นะซึ่งความทุกข์เนี่ยมันก็มีทั้งทุกข์ทางกายแล้วก็ทุกข์ทางใจนะทุกข์ทางกายคือเจ็บป่วยนะันั้นก็ไปโรงพยาบาลนะาตมาก็มีโอกาสไปโรงพยาบาลเหมือนกัน ก็ให้หมอก็ดูแลไปเจ็บป่วยความทุกข์อีกอันหนึ่งคือความทุกข์ทางใจความเครียดความหงุดหงิดความหนักอกหนักใจความเหงาความเว้าเวความหงุดหงิดลาคาญใจก็เรียกนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเนี่ยไม่มีใครรอดพ้นหรอก นอกจากพระอรหันต์านั้นแหละนะเรายังเป็นประชชนคนธรรมดาดแม้แต่เป็นพระเรียเจ้านะก็ยังมีทุกข์อยู่เพียงแต่ว่ามีทุกข์มากทุกข์น้อยนะโดยเฉพาะทุกข์ในด้านจิตใจการมาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องทุกข์ก่อนถ้าตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ชีวิต ชีวิตนั้นมันก็ประกอบไปด้วยความทุกข์นี่แหละแต่มันไม่ใช่มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวนะมันก็มีความพ้นทุกข์ไปด้วยนะถ้าเราเรียนรู้ความทุกข์มันก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> การเริ่มต้นเนี่ยโดยเฉพาะการมาเจริญสตินะโดยส่วนใหญ่นะเราจะเจอความทุกข์ก่อนละนถ้าเจอความทุกข์ทุกอะไร ทุกมันปวดมันเมื่อยทุกมันทําอะไรไม่ได้ดั่งใจนะบางทีอากาศร้อนบางทีอากาศหนาวนะบางทีก็เบื่อนั่งสร้างจังหวะเดินชงกรมนะนะเกิดความเบื่อขึ้นมาบางทีมันก็คิดนู่นคิดนี่คิดฟงสร้างไปต่างๆนาๆนาแล้วบางคนก็ไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันทุกข์ อยากจะหลีกหนีไปเช่นบางทีเจริญสติอยู่ดีๆมันเบื่อก็ไม่ทำและเลิกนะไปเดินเที่ยวเล่นดูนกทำนูน่นทำนี่ดีกว่าเพลินดีนะก็บอกว่าอัน น, นนะนะมันพ้นทุกข์แล้วมันแก้ทุกข์แล้วนะจริงๆ น, นั้นะมันเป็นการหนีทุกข์นะกบเกินไป ไม่ได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตและก็คือความทุกข์ทั้งทุกกายทั้งทุกใจเพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากเรียนรู้ทุกนันแหละถ้าเห็นทุกข์แล้วเรียนรู้แล้วก็จะหนีมันนะ เครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ในการที่จะเรียนรู้ทุกก็คือความรู้สึกตัวนั่นแหละอย่าไปใช้ความคิดนะอ่านหนังสือแล้วก็บอกทุกอย่างนั้นทุกอย่างนี้แล้วเราก็คิดจินตนาการไปนะอ๋อแสดงว่าเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วมารู้ด้วยความคิดมารู้ด้วยความจำพอมาปฏิบัติทีไรทุกทันทีทุกแล้วก็หนีไม่ยอมสู้นะ ก็มีประสบะการณ์แตมาได้มีโอกาสไปบ้านพุทธมนทาคราวนี้ก็มีพระอยู่เก้ารูปพระบทใหม่นะบทได้เจดวันนะมีพระพี่เลี้ยงมาสองรูปแล้วก็มีโยมอีกประมาณส0สิบกว่าคนนะวันแรกมานี่ก็ก็ดีใจเนาะคราวนี้มีพระมาด้วยนะมาร่วมปฏิบัติด้วยปกติก็ไม่มีหรอกนะ แต่ปฏิบัติอยู่ได้วันเดียวอ่ะพระกลับหมดเลยแต่โยมอยู่สู้พระไม่สู้นะก็ถามว่ า, าทำไมอ่ะทำไมรีบกลับสลักบอกว่าไม่รู้ว่าต้องมาทำแบบนี้นะมานั่งยกมายกมือมาเดินจงกรมนะมันหะนักเกินไปไม่ได้เตรียมตัวมานะพระใหม่ๆบางรูปเนี่ย นะพอมาปฏิบัติเลิกสองทุ่มก็กลับไปนั่งคุยกันในห้องชงกาแฟกินบ้างคุยกันขโมงโฉงเฉงเลยในขณะที่ญาติโยมเขาก็นั่งเขาก็นอนกันละสองทุ่มเราเลิกกนะันวันแรกนะเงียบโยมนี่เงียบแต่พระนี่เสียงดังนะก็เลยเอไม่ถูกเรื่องแล้วมั้งมาผิดสถานที่แล้วมั้งนะก็เลยถามว่ามาอย่างไงไปอย่างไงอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าโยม เขาบอกว่านมาปฏิบัติที่บ้านพุทธมนทาเนี่ยดีดีดนะปฏิบัติแล้วก็ใจธรรมะดีก็เลยมาแต่มามาเจอแบบนี้บอกว่าไม่ไหวสู้ไม่ได้นะก็เลยต้องขอกลับแหมก็น่าเสียดายนะคนที่บวชนะเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่โดนพญามารมันเอาไปกินซะนี่อนาะตมาก็พูดแย่ไปนะตรงนี้ คนที่มาครั้งแรกเนี่ยก็เหมือนกันนะมาวัดป่าสุกโตเนี่ยแต่ละก็มีศรัทธาตั้งใจอยากจะมาฝึกปฏิบัติได้ได้ยินข่าวได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาลบ้างนาได้ดูรายการพื้นที่ชีวิตบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับกหลวงพ่อคำเขียนนได้เห็นคําโฆษณาต่างๆก็มีความศรัทธาอยากจะมาฝึกฝนอยากจะมาปฏิบัติแล้วก็คิดฝันเอา จินนาการนว่าเออมามันคงจะมีความสุขเนาะมันคงจะสบายเนาะมันคงจะสงบเนาะแต่มาวันแรกโอ้โหอากาศก็ร้อนยุงก็เยอะนอนก็กระดานแข็งอาหารก็ไม่เคยถูกปากเลยนอนก็ไม่เคยหลับนะมันไม่สุขเลยอ่ะมันทุกข์ขนาดหนักเลยอ่ะ เออสงสัยจะไม่ถูกกระจริบแล้วละมั้งนะก็ไปคิดอย่างนั้นนะบงคนมาใหม่ๆนะจะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีนะตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามารมันมาทดสอบนะมาทดสอบเราว่าเอาจริงเปล่าศรัทธาเนี่ยศรัทธาที่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งใจจะมาแล้วเนี่ยเขามาทดสอบเนี่ยความยากลําบากเนี่ยมาทดสอบว่าเราแน่หรือเปล่าเราเข้มแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้น กลปฏิบัติเนี่ยมาใหม่เนี่ยให้เวลากับตัวเองสักสามวันเป็นอย่างน้อยปรับตัวปรับเนื้อปรับตัวในการกินการอยู่ในการนอนในการปฏิบัติอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยวันแรกเนี่ยจะหนักหน่อยนหนักตรงที่เราจะต้องฝูนความเคยชิ น, นเคยกินอย่างนั้นเคยอยู่อย่างนี้ แต่มาอยู่ที่นี่ไม่เป็นไปดังใจแลก็มีทางเดียวปรับใจเราไม่ต้องไปปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็นอย่างใจเราปรับใจเรายอมรับสภาพซะวะ่ามันเป็นอย่างนี้เองนความทุกข์จากการอยู่ความทุกข์จากร่างกายนความทุกข์จากความไม่ได้ดังใจนะอันนี้ยอมรับมันซะเขาบอกว่าทุกข์ให้คนกนําหนดรู้นะ ทุกกายเนี ense, ่ยม yeah. mm ันเป็นธรรมดาประจำสังขารเดี hmm. ๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็กระหายเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวมันปวดมันเมื่อยมันเป็นธรรมดาแต่คนเรานี่ไม่ชอบไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากไม่ไม่อยากให้มันปวดไม่อยากให้มันหิวนะไม่อยากให้มันกระหายไม่อยากให้มันร้อนไอความไม่อยากนั่นแหละมันทาให้เราเป็นทุกข์ไม่อยากหรืออยาก ทั้งอยากแล้วไม่อยากนั่นแหละที่ทำให้เราเป็นทุกข์ความไม่รู้ความจริงของกายของใจนั่นเองกายมันก็ธรรมดามันก็เป็นทุกข์ใจมันก็เป็นทุกข์โดยเฉพาะใจเนี่ยความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆเนี่ยทำให้เราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจจิตใจไม่เป็นปกติเมื่อเราไม่มีเครื่องมือ ที่จะเรียนรู้ที่จะดูทุกข์เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงยอมจำนนกับความทุกข์แล้วก็ให้ความทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นเราหาทางออกไม่ได้แต่มเมเื่อเรามาฝึกเจริญสตินะเราใช้สติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมาเลยความทุกข์เราจะได้รู้จักมันทุกข์ายก็ผ่อนคลายบรรเทาไปและเช่นหิวก็กินกระหายก็ดื่ม หนาวก็หม่มร้อนก็อาบน้ำหรือว่าลูกหน้ า, นาด้วยน้ำหนให้มันชุ่มชื่นขึ้นมาทุกทางกายเนี่ยผ่อนคลายบรรเทาทุกทางใจ <c oughs> ความคิดนึกปรุงแต่งให้รู้เท่ารู้ทันอย่าไปตามมันแต่ก็ไม่ห้ามนะความคิดเนี่ยเป <c oughs> ็นธรรมดานะที่มันจะเกิดขึ้นเราเห็นเรารู้เราไม่ตามมัน คนที่ไม่ได้ฝึกเมื่อคิดขึ้นมาก็คิดขึ้นมาก็ตามันไปคิดเป็นเรื่องเป็นลาวบางเรื่องเป็นเรื่องที่ดีก็ดีใจพอใจปลื้มใจบางเรื่องไม่ดีก็ใจฝุใจแฝบนะใจห่อเหี่ยวนะใจไม่ดีนะนั่นเรียกว่าสภาพไม่เป็นปกตินะเพราะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ย เราทำความรู้สึกตัวเราจเจริญสติเราเจนนักความดีใจและความเสียใจแล้วเจนนี่การหนึ่งคือใจมันเฉยๆใจมันปกตินะตรงนีนะ้เป็นจุดสำคัญใจปกติหรือใจเฉยๆนี่แหละเป็นที่พัก <c oughs> เป็นที่ที่เราจะได้อาศัยพักผ่อนได้เขาเรียกว่าเป็นฌานที่พักได้นะคนที่มีคนที่ไม่บ้าคนที่ยังเป็นปกติ กนะ็คือคนที่รู้ถึงความเป็นปกติของใจได้บ่อยๆนะซึ่งตรง น, นี้ก็เกิดจากการที่เราเจริญสตินั่นเองเราเห็นความทุกข์ <c oughs> เราไม่เข้าไปในความทุกข์แนละ้วความทุกข์มันก็จะมาแล้วมันก็จะไปทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีนะมันผ่อนคลายบรรเทาปรับเปลี่ยนแก้ไขได้เราไม่ยอมจำนนนะเราใช้ ความรู้สึกตัวเนี่ยซึ่งก็คือสติสัมปชัญญะสติเป็นเครื่องกลางกัน้นอารมณ์หรือความคิดต่างๆปัญญาเป็นเครื่องเข้าไปพิจารณาค่าควรนะแล้วก็ทำให้เราปล่อยวางปล่อยวางความคิดตรุงแต่งปล่อยวางความทุกข์นะที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถออกจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์ ไม่ใช่มันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวชีวิตนี้ไอ้ไม่ทุกข์เนี่ยบางทีเราก็เรียกมันว่าสุขก็ได้แต่ไปผู้ว่าสุขในบางทีมันก็ติดอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่ามีทุกข์และมีทางออกจากทุกข์ทุกข์เพราะไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งทุกข์เพราะไม่รู้เท่าทันอารมณ์การจะรู้เท่าทันก็อาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นเครื่องมือสาคัญอย่าไปใช้ความคิดนะ ถ้าไปคิดเอาเนี่ยนะมันไม่สำเร็จประโยชน์หรอกแ ล, ว, แลวบางทีมันหลอกเอามันหลอกว่าโอ้เข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราพ้นทุกข์แล้วแต่พอไปเจออารมณ์ไปเจอเสียงที่พูดไม่พอใจขึ้นมาก็เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหนานได้เพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติในเบื้องต้นเนี่ยนะอย่าไปยอมอย่าไป ยอมจำนนกับความทุกข์อย่จะหนีมันเรียนรู้เข้าไปเลยถ้าเราเรียนรู้เราจะเห็นทางออกเขาบอกว่าประตูพ้นทุกข์เนี่ยอยู่ที่ทุกข์นั่นแหละนะการเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมอย่างอาจารย์ไพรสารนั่นเคยพูดเอาไว้คำคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งทีเดียวส่วนใหญ่คนเราเนี่ยจะหนีทุกข์คนในโลกส่วนใหญ่เนี่ยหนีทุกข์แล้วเขาก็ไม่มาสนใจที่จะมาปฏิบัติหรอก เขาบอกไม่เห็นทุกอะไรเลยคนไม่เห็นทุกเนี่ยก็จะไม่รู้จากการออกจากทุกขเพราะนั้นชีวิตก็จะวนเวียนอยู่ทุกทุกสุขอยู่ในสังสารวัตนะแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการออกจากทุกเราก็จะออกจากสังสารวัตได้เครื่องมือสําคัญที่เอาออกมาจากสังสารวัตรก็คือความรู้สึกตัวนี่เองที่ประกอบไปได้วยสติและปัญญานะไม่ใช่สติอย่างเดียวนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่ง ทีนี้ในการฝึกเจริญสติเนี่ยนะมันก็มีหลายรูปแบบในประเทศไทยมีห้ารูปแบบใช้ลมหายใจใช้ครรมบริกรรมพุทโธสัมมาลาหังยุบหนอพองหนอแล้วก็วิธีการเคลื่อนไหวที่เราฝึกกันเนี่ยเท่าที่เท่าที่เป็นที่นิยมกันทั่วไปนะยังมีอีกหลายวิธีซึ่งทุกวิธีเนี่ยมีจุดมุ่งหมายร่วม ก, กันก็คือ ให้เรากลับมารู้สึกตัวนะให้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันไวขึ้นมันทันกับความคิดมันทันกับพระลมสำหรับทรวาป่าสุขโตเนี่ยเราก็จะส่งเสริมนะในเรื่องของการเจริญสติในแนวเคลื่อนไหวนะก็คือเราจะไม่นั่งหลับตาเราจะลืมตาเราไม่นั่งนิ่งๆ่งเราเคลื่อนไหวนะเราไม่ต้องมีครรมบริกรรมแต่ไม่ได้ ไม่ได้หมายก็ว่าวิธีอื่นที่กล่าวไปสี่วิธีนั้นไม่ถูกนะถูกนะใช้ได้นะเพียงแต่ว่าเราที่นี่เนี่ยเราพยายามที่จะ เ, เดินตามวิธีการที่หลวงพ่อคำเคียนหลวงพ่อเทียนท่านะได้พาทำแล้วก็แนะนำเอาไว้ น, ะนั้นตรงนี้เนี่ยบางคน จ, จะเพิ่งมาครั้งแรกนะ จ, จะสงสัยว่าเอ๊เขาไม่นั่งหลับตากันเลยเนาะ มันจะสงบได้อย่างไรเพราะเราคุ้นเคยกับการสงบ <c oughs> แบบนั่งหลับตาแตหลายคนก็มีคาถามอย่างนี้อัตมาสมัยไปฝึกใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนก็มีคำถามอย่างนี้เหมือนกันตอนหลังมาได้ยินหลวงพ่อเทียนพูดว่าไอ้สงบเนี่ยมันมีสองอย่างนะหนึงสงบแบบน้ำแข็งสะบบแบบน้ำแข็งคือยังไงนั่งนิ่งๆหลับตาไม่คิดอะไรกดข่มเอาไว้ ไม่มันคิดมันก็มีความสุขดีเหมือนน้าแข็งน่้มันก็เย็นดีแต่พอเราลืมตามาเราไปเจอ <c oughs> รูปเจอเสียงเจอกลิ่นเจอรสที่ถูกใจไม่ถูกใจมันก็เกิดอารมณ์เหมือนกับน้ําแข็งนี่มันโดนลมโดนความร้อนมันก็ละลายมันไม่ได้เย็นตลอดแต่ความสงบแบบนี้เนะี่ยเป็นความสงบชั่วคราวอีกอันองความสงบแบบน้าลึกเขาบอก หลกงพเทียนว่านะนันเปรียบเทียบเหมือนน้ําโของอะ่ะเวลาเราลงไปที่ตื้นๆมันจะอุ่นพอลงไปเรื่อยๆมันจะลึกมันจะเย็นลงลึกไปมันจะยิ่งเย็นอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับความสงบที่เกิดจากการที่เราจเจริญสติใหม่ๆเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านมันก็หงุดหงิดมันก็ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่หรอกนะมีความฟุ้งซ่านมีความง่วงเงาเหานอน มีความเบืวอมีความสงสัยนะมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราพยายามทําต่อไปพยายามกลับมารู้สึกตัวใช้ความอดทนก่อนตอนแรกมันยังไม่มีสติก็ขันติไปก่อนนะอดทนทําไปพยายามมีความเพียรมีความศรัทธาลงไปนะทําอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบเดี๋วมันก็จะได้สัมผัสกับอารมณ์ที่มันละเอียดเช่นความอิ่มเอ ในจิตในใ จ, ในใจความทราบซ่านที่เรียกว่าปิตินะมันก็มีเหมือนกันนะอารมณ์พวกนี้มันก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่มันมีแต่เบื่อแต่แตง่วงนะมีเหมือนกันตรงนี้มันจะมาหล่อเลี้ยงทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมาแต่อย่าไปติดมันนะบางคนทําไปเนี่ยโอ้โหสบายวันนี้นะเดินจงกรมตัวเบาสบายนะตอนเช้าพอตอนบ่ายมาอา้าวหายไปไหนซะแล้วหนักขึ้นมาอีกแล้ว ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันและผ่านเท่านั้นเองเป็นประสบาการณ์อย่าไปติดอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปติดมันแม้แต่ความเบื่อความสบายความเบาเนื้อเบาตัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะผ่านเข้ามาให้เราเรียนรู้แล้วก็เกิดการปล่อยวางถ้าเราไปติดนั่นก็คือเราไปยึดไปถือแล้เอาเป็นตัวเป็นตนไปแล้ว ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางมันก็จะผ่านมันเกิดการปล่อยวางสภาพของจิตใจมันก็จะกลับคืนสู่ความเป็นปกตินะตรงนี้แหละนะจะทําให้เราสัมผัสกับความสุขที่ประณีตเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วความสุขที่เกิดจากจัด <c oughs> จิตใจที่เป็นปกตินั่นเองอันะนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นผู้ที่มาใหม่เนี่ย จะอยู่กัน3มวันห้าวันเจวันก็ขอให้เราได้พยายามเนาะอาศัยความศรัทธาที่เรามีแล้วก็มีความเพียรลงไปมีสติเมื่อสติเข้มข้นขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจก็เป็นสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ถไม่ได้หมายถึงปัญญาที่คิดนึกนะเป็นปัญญาจากประสบาการณ์ที่เราเห็น ความแปลปวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจและสภาพแวดล้อมต่างๆเห็นแล้วเห็นอีกมันไม่ได้คิดเห็นนะมันเป็นการเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นความแปลปวนเปลี่ยนแปลงปัญญาคือรอบรู้สังขารที่ปรุงแต่งคำว่าสังขาร น, นี่ก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งที่เป็นร่างกายจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆเพราะนั้นปัญญานี้ไม่ได้คิดนึกเลย การเรียนรู้ธรรมะเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะเราใช้ความรู้สึกตัวเพราะนั้นเรามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าปลาห้อินสี่หนาที่จะพาให้เราสามารถที่จะเดินผ่านอุปสรรคต่างๆความทุกข์ต่างๆเราจะแปลความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ เราจะแปลอุปรสรรคให้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้นะอุปสรรคสําคัญที่เราจะเจอสําหรับคนใหม่ก็คือนิวรความง่วงเงาวเหนอยนอนความเบื่อความสงสัยลังเลความฟุ้งซ่านนะความหงุดหงิดความําคานนะสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์การเรียนรู้นะไม่ใช่เป็นอุปรสรรคนะบางคนเนี่ยมาวันแรกเนี่ยเจออารมณ์พวก น, นี้แล้วหนีเลย ไม่เอาแล้วตั้งใจจะมาอยู่สักเจ็วันวันที่หนึ่งวันที่สองขอลากลับไปแล้วอ้ยอมแพ้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นศรัทธามาก็คือสว่างมาแต่มาอยู่ได้วันสองวันกลับและมืดไปเลยก็เรียกว่าสว่างมามืดไปเพราะนั้นเราสว่างมาแล้วก็สว่างไปอยู่ทุซีไปอยู่ห้าวันเจ็ดวันลองดูซิชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะมาอย่างงี้ง่ายๆนะ คนที่มาวัดป่าสุโกโตแล้วได้มาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆโอกาสที่เราจะมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียโอกาสเป็นโอกาสทองเป็นเวลาทองเป็นนาทีทองของพวกเราที่จะใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องจิตเรื่องใจของเราแล้วเครื่องมือเนี่ยก็ไม่ยากเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็คือความรู้สึกตัวนั่นแหละเพียงแต่ว่าทาให้มันไหวขึ้นปลุกให้มันตื่นขึ้น มีอุปสรรคอะไรทั้งหลายก็พยายามที่จะแก้ด้วยตัวเราเองนะถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ถามครูบาอาจารย์คนที่เขาเดินทางมาก่อนนะพยายามสอบถามพูดคุยมันตันนะมันไม่รู้จะออกอย่างไงนะอันนี้ก็เป็นเป็บรรยากาศของวัดป่าสุโกโตมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะมาอยู่นะเป็นกาลยาณมิตรเป็นเพื่อนของเรา ในการที่จะพาพวกเราเดินทางไปพร้อมกันครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็เดินไปไกลและอาจจะไปถึงที่สุดแล้วบางท่านก็ยังเดินอยู่ท่านก็จะมองเห็นทางที่กําลังเดินเรียกว่าเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่จะพากันไปสู่ทางพ้นทุกข์แต่เพราะนั้นบรรยากาศแบบนี้จะไ ด, ได้ได้ไม่ง่ายนัก ในในในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการมาอยู่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยนะพยายามตัดสิ่งที่ทำให้เป็นตัวที่ทำให้เราไม่ได้ปฏิบัติเช่นหนึ่งการพูดการคุยการสันทนาการการพูดคุยมาจากไหนไปไหนมาทำไมไม่ต้องคุยเลยเรื่องนั้นเนี่ยใครมาชวนคุยเดินหนีเลยนะพยายาม อ่งห่างอยูด่ด้วยตัวเราเองปลีกวิูเวกชีวิตของเราเนี่ยมันพูดมามากแล้วมันคุยมามากแล้วอย่าไปคุยอันที่สองใครขี่มีเครื่องมือสื่อสารเนี่ยปิดเลยอย่าไปใช้โดพากลุ่มเจ็วันนี้เดี๋ยวเราจะขอเก็บนะบางทีเนี่ยนะ <c oughs> เดินจงกรมอยู่ดีๆเนี่ยอา้าวเสียงโทรศัพท์เข้ามาแล้วแม่กาลังปฏิบัติดีๆนะมันขาดช่วงแล้ว ต้องโทรคุยดีไม่ดีมีข่าวร้ายมาคนนู้นตวยคนนี้เจ็บคนนู้นตายอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับไปแล้วมานมันมาทางคลื่นดีแท็ AIS และ u e แล้วก็มานี่แหละนะหรือบางคนเดินจงกลมอยู่แล้วเบื่อไม่รู้จะทำอะไรอ่ะเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดเล่น Facebook กดไลน์กดแชทอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นมันทำให้เราเสียเวลาทยดีเนี่ยเก็บไว้เลย ไม่ต้องไปใช้เลยสามวันห้าวันเจ็ดวันนะมีหลายคนเนี่ยมาเก็บอารมณ์สี่สิบวันเก็บเลยไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าให้เวลาให้โอกาสกับพวกเรางดพูดงดคุยงดการสื่อสารนะยกเลี้นจําเป็นนะคนที่มีธุระจําเป็นเนี่ยแต่จริงจริมีธุระจําเป็นอย่างไรก็เอาวางไว้ก่อนเนาะเราให้ชีวิตกับโลกมานานแล้วตอนนี้ให้ชีวิตกับตัวเองบ้างนะ แล้วก็อดทนต่อความยากลําบากการมาอยู่วัดป่าสุโกโตไม่สะดวกสบายแล้วแต่ก็สะดวกกว่าสมัยก่อนนะอแตมาสมัยก่อนมาเมื่อปีสองห้านี่ลำบากกว่านี้เยอะถนนนี่ไม่มีต้องปูนเขาขึ้นมาแล้วเวลาเดินข้ามสะพานนี่ไม่ใช่สะพานแบบนี้นะเป็นท่อนน่ะเป็นไม้เป็นท่อน น, น, อน่ะเดินต้องโอ้โหระวังมากพวกเรานี้ยังสบายขึ้นนะนะสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ แต่บางคนก็ จ, จะรู้สึกลำบากนะแต่ไม่เป็นไรให้อดทนนะอย่าไปคิดถึงความสบายที่เราเคยอยู่ในเมืองนะบางทีกินไม่อิ่มนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับเนื้อปรับตัวเนาะอดทนเอานะใช้สติใช้ปัญญาแก้ไขปัญหากันไปนะนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเรานะที่มาวัดป่าสุขโตตั้งใจจะมาฝึกฝนนะมาเรียนรู้ เรื่องธรรมะธรรมะจริงๆเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่ใจไม่ยู้อยู่ที่ตัวหนังสือบางคนเนี่ยมาวัดป่าสุขตหนังสือมาอ่านด้วยวะเอาหนังสือจริงๆมันอยู่ที่นี่ที่กายที่ใจนี่อ่านลงไปที่กายที่ใจนี่หนังสือเนะี่ยทิ้งไปเลยสมัยหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านไม่สนับสนุนให้อ่านหนังสือเลยนะอ่านกายอ่านใจใช้ตาใจคือความรู้สึกตัวดูไปที่กายที่ใจ ที่มันแสดงออกมาปวดเมื่อยสบายไม่สบายจิตที่มันคิดนึกไปต่างๆนานาให้รู้เท่ารู้ทันอย่าไปตามมันกลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าเพลินอย่าหลงไปอารมณ์ที่ควรเพลินก็อย่าเพลินไปอย่าเผลอไปนะอารมณ์ที่ทุกข์ก็ให้รู้เท่ารู้ทันอย่าไปจมอยู่กับมันถอนตัวออกมาอยู่ที่การเคลื่อนการไหวนะอันนี้แหละ จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์นาจากการมาวัดป่าสุกโตแปลงนั้นการเรียนรู้ธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ในเนื้อในตัวมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเราไม่ต้องไปฝันเฟื่องว่ามันจะเป็นแสงสว่างเป็นอะไรที่มันเขาพูดกันอันนี้นมันเป็นเรื่องที่จินตนาการไปังนั้นธรรมะคือธรรมดาธรรมดาเนี่ยสิ่งที่อยู่ในเนื้อในตัวเราเนี่ยที่กายที่ใจเราเนี่ยแหละ ที่มันแสดงออกมาเนี่ยปรากฏการณ์ที่มันแสดงออกมาในใกายในใจเรานี่แหละนี่คือธรรมะการเห็นธรรมะคเห็นตรงนี้ไม่จะไปเห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรพิสดารไอ้นั่นมันไม่ใช่แล้วจินตนาการไปนะนั้นมันฝันไปมันหลอกไปนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะได้พยายามเนาะมีความศรัทธามีความตั้งใจมีความเพียร น, นะมีความอดทน เรียนรู้ตั้งใจมาเจวันให้อยู่ให้ได้เจวันตั้งใจมาห้าวันอยู่ให้ได้ห้าวันกลุ่มที่มาสี่สิวันตั้งใจอยู่40ก็ถึง40วันอีกไม่กี่วันแล้วเนาะวันนี้21อีก9วันหรือสิวันก็จะหมดแล้วก็ต้องขออนุโมทนานะกับกลุ่มสี่วันที่สามารถอยู่ได้และกลุ่มที่เพิ่งมาใหม่ก็ขอให้มีกําลังใจในการที่จะมาฝึกฝนปฏิบัติเนาะ ก็เอาละในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนตรีนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือเศจสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือศสตรธรรมความจริงที่แสดงปรากฏทั้งในชีวิตในร่างกายจิตใจของเราและก็สภาพแวดล้อมต่างๆพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติ ที่เราได้กระทำลงไปด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิปัญญาและขันตนะิก็ขอให้เป็นพลวะเป็นตะเดชะหนุนนำให้ทุกท่านได้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นสุขเกษมสารคือสภาพที่จิตใจเป็นปกติในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเิรเจริญพร